Book 2แปดสิบสี่เทตัดดิเทคัตเตอร์เ a ตัวเ E s h k u a r อ้คัตเตอร์อดีตการสอคตอน เลืดจยผมอ่านแล้วอุนคำเลืดจัวอผมอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้วไอคำเลืดจัวรเทจรมนน เข้าใจคุมมมผมเข้าใจแล้วอคัอคผมเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้วอค j t e i n j t e i n ตอ <top. S 2> r o c e d u r e ผมตอบแล้ว Uniam Procedure u n j a m p r j i g j u r e ผมตอบคำถามทั้งหมดแล้ว u a m p r j i g j u jam r të g j i t h a pueteva u j a m p r j i g j, j th th u, u r të g j i t h a pueteva ผมทราบแล้วผมได้ทราบแล้วอดีตเอคัม i ีต r e อดีต a อคัมตีผมเขียนผมได้เขียนแล้วอออคัต ผมได้ยินผมเคยได้ยินแล้วอเตยเคคอคัมเตจัวเอเตโยย์เคเวผมกำลังรับผมได้รับแล้ว <dem> อุนมาร์เคเตเอคต ผมกำลังนำมาผมได้นำมาแล้วุนเซียลคตอุนเอกเซียลตอุนเซียลตอุนเอกเซียลตผมซื้อผมได้ซื้อแล้วุนเบลคตเตอเอกคำเลุนเลตเตเอก ผมคาดไว้ว่าผมได้คาดไว้แล้วว่า un e p r e s k t ekam p r i t u r k t un e p r e s s k t ekam p r i t u r k t ผมอธิบายผมได้อธิบายแล้ว un s p i e o k t k t ekam spieguar u e n ่นสเปียร์กอย์ก็เถอะก็เถอะเอ็คัมสเปียร์กัวร์ผมรู้ผมรู้แล้วอุ่นเอ็นยอ j o h ็เถอะอุ่นก็เถอะคัมยอรกร